ใครใหญ่มั่งสิพอตักเสร็จดังป่องไม่มี ไม่ใช่ป่าดอย่างแรงเลยนะไม่ได้นะเป็นอาบัติอีกนานน่ะโอ้โหแล้วนี่หลวงปู่ชานี่แหละท่านนั่งรับแขกคนก็มาเยอะบางวันอาหารแขกนั่งไปมาลมเบื้องสูงตีลมเบื้องต่ําตัวนี้ถ้าจะปล่อยใกล้ๆนี่เอง โยมเคยมามั้ยดิฉันยังไม่เคยมาเออไปดูไปไปดูต้นมะม่วงต้น 50 รูปทางนู้นนะฉีกับพระ คนที่เหลืออยู่สัก 4-5 คนท่านยังไม่ พอครูบาอาจารย์ไปบิณฑบาตลี้สะพายบาทเดินออกหน้าดูๆๆไปก่อนอ่ะ ถ้าคือพอพอเข้าพรรษามาตอนนี้เราจะอ่านพระวินัยแจกแจงพระวินัยหมดแต่ละอ่านรวดเดียวนะ 3 เดือนน่ะนะบางทีนั่งฟังไปมันก็ง่วง จะเน้นหนักเรื่องนั้นให้มากทุกอย่างเลยในพระวินัยในบุพพสิกขาวนัณนาแม้กระทั่งหมายชําระครั้งพุทธกาลมีเสี้ยนนั้นเดี๋ยวมันปะนะใส่กระบอกไม่ภัยนะ แล้วผ้านี้ต้องซัก 15 วันซักที 1 ซักด้วยน้ําร้อนไม่มีแฟบ ไม่ใช่หรอหมอแป้ไปแล้วให้อุปัชชาอุกาถวายบรรทามิพันแตะพอเห็น 500 เค้านั่นน่ะเอาหมวดก็บวชเลยท่านแล้วมันดวงสวยเลยจะให้ไม 1,500 เอาก็อ่าวเมาแอ้มาเลยตะนี้อานะเพื่อนักเข้าและบวชและได้บุญมาก็เพื่อนเลยตะนี้เมาก้มหน้าเอากราบเอเอเอเอ 3 ครั้งอุปจากราบที่เพื่อนอ้าวนะโมนะโมเอ 3 จบอะไรวะ โอ้โหอุปชาเห็นแก่ได้งั้นเห็นมั้ยบวชออกมาเออต้องมาสอนน่ะโอกาสะวันทามิปันเตโอกาสะวันทามิปันเตบางทีฟังชัดไม่ชัดบ้างเพรงวาจาขอบวชก็บวชเพราะบวชไปบวชมาแล้วเป็นอะไรมั่งล่ะเห็นมั้ยคมเห็นมั้ยซีชัว เดี๋ยวนี้เค้าจับสัมมนากันแล้วนะเห็นที่บ้านที่ที่ทางอุบลน่ะเข้าอุปชาไปสัมมนาแล้วต้องลุงพ่ออ่าถ้าเค้าไม่ แล้วเด็กของชาติต่อไปอนาคตจะไม่ดีเริ่มต้นจากตรงไหน โด่ใครตัวมันไม่ใช่ลูกชั้นไปก่อนดิครูต้องตามนะเดี๋ยวนี้ไม่ตามไปตีลูกเค้าเค้ามาด่าตีลูกทําไมฉันไม่เคยตีเลยไว้วัดอีกแม่ต้องต้มบะหมี่มาน้ําไม่งั้นศึกหนาเจ้าอารามวัดตอนนี้ก็ถวายหมด ธรรมวัดตรวจมนต์อย่ามากลัวนะเสียหมดเลยทีนี้ถ้าวัดเราไม่ไม่เข้มแข็งนะตอนนี้อันนะในการประพฤติปฏิบัติที่อ่าน ต้องไปกวาดปัดกวาดกุฏิครูบาอาจารย์ต้องช่วยถูคุกเข่าถูธรรมจิตวัตรประจําวันบ่าย 3:00 น. นมาตีระฆังเสร็จศัพท์ก็ ทุกวันใครข้องใจเรื่องพระวินัยการรักษาผ้าแม้กระทั่งการรักษาผ้านี่เหมือนกันนะเพราะปกติ อัปปะเล็กๆน้อยๆนี่ทําให้เข้าไม่ได้จริงอ่ะเราจะไปท่านอาจารย์ทาผมใช้เงินน่ะผมถือเงินผมใช้เงินน่ะใช้โดย อาบัติเล็กๆน้อยๆทุกอย่างที่บัญญัติขึ้นไม่ใช่หลวงปูชาบัญญัติขึ้นนะพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นนะใน เพราะว่าครั้งพุทธกาลที่บัญญัติขึ้นมานี่อบัดข้อนี้แม่ 30 กว่าลูก 20 ไปบวชด้วยกันแม่เป็น แม่แม่นมก็สวยนะแม่ยังมีความต้องการทางเพศเหรอ ห้ามอยู่มาทุกข์าแม่ก็ตามมาถ้าพระ คำว่าสมาธิตัวจริงเป็นยังไงเราก็จะมีโอกาสได้สัมผัสมันจะได้อยู่สมาธิหัว ฝรั่งเริ่มสนใจมากๆเข้าตัวนี้หลวงปู่ชาบัญญัติขึ้นมามากมาอยู่วัดนี่มาจากไหนผมมาจากแคนาดา จะอยู่ไว้เหรอฉันมือเดียวไม่เป็นไรจริงไม่นะไม่เป็นไรล้างได้มั้ยโอนี่ผมไม่เคยผมไม่ล้างแล้วมันแหมถ้าไม่ล้างนะต้องลุงผ้านะ 2 ปีนะไทยยัง 4 เดือน แต่ฝรั่งนี่ 2 ปีนะแล้วพระ 2510 คือพระอาจารย์ซูเมโธเดี๋ยวนี้เป็น ตอนนี้ท่านมีความทุกข์ท่านก็เลยมาไปๆบวชสิท่านก็เลยเดิน ท่านได้ตั้งสัจจะอดข้าว 7 วันพอ 8 จะออกไปบิณฑบาตเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาท่าน ผมเข้าไปในห้องสุ้มผมเห็นโถสุ้มแวววาวอย่างกับเพชรนิลจินดาตุ่ม ก็เลยข้ามไปไปเจอพระลาวดูดกัญชาดิที่กินต้มไก่ตอนเย็นอีกทีอยู่เบิ่ง คนบ่เคยใส่บาตรก็มาใส่เด้เอ้าภูเขาภูเขาใส่บาตรหลวงปู่ชาบ่เดินดอกหน้ามึงจะคนแตกตื่นไปวัดหลวงพ่อพงไปดูพระฝรั่งพอไม่ชอบเลยดูผมยัง แล้วผมไม่ชอบเลยใครก็เรียกผมแต่ฝรั่งฝรั่งนี่ผมไม่นี้พอพอเข้าไปในวัดเสร็จชาวบ้านท่านอาจารย์ชาเจ้าค่ะท่าน ปริญญาเอกลองปลดทุกข์ดูซิถ้าโอเคโอเคเราเคยตามใจอร่อยอร่อยไม่ต้องบวช <Okay, okay. S 1> ที่อาหารไม่มีเล่าเริ่มต้นมาน่ะอาหารไม่มี 2509 510 ได้ปลา 8 องค์ก็อง 8 ชิ้นส้มตําได้คนละช้อนน่ะ อ้าวกับข้าวมันไม่มีค่อยๆจิ้มนี่อันนี้ก็กินไม่เป็นด้วยพระก็ต้องแจกนะไม่ใช่เอาหันเอาเองนะหลวงปู่ชานี่ต้องไข่ลูกนึงนี่ธัมมภาพอง 8 องค์ เราไปทานมันมากี่ปีแล้วบอกให้เราร้องไห้ก็ร้องไห้กับมันดี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 แพ้ตีนหูแดงเหรอโอ้ว้าวพัดใหญ่เลยพ่อฝรั่งเพ็ดติดอาจารย์สุเมธีชอบอาหารฝรั่งชอบที่สุดก็มาที่อบอนี้ผมคิดถึงตํามาแล้วอาจารย์สุเมธโท นั่งพับเพียบก็ไม่เป็นนะพลั่งเอาท่านมาก็ยังไม่เป็นพอวันพร้ามานี่พระเราแต่ภาษาอีสานเทศน์ไม่ใช่เทศน์น้อยๆนะตั้งแต่ 3:00 น. จน 2:00 น. นะอาจารย์สุเมโธโอ๊ยฟังเอาไม่รู้เรื่องเลยไม่ ปวดให้เรานั่งอยู่นี่ก็ปวดขาไม่บอกให้เราก้มไปนอนเลยให้เรานั่งอยู่แหละพอหลวงปู่ชาเทศน์เสร็จลง คนอื่นเค้าล้างการทําไมไม่ไปล้างเรื่องอะไรจะล้างอ้าวมันไม่ยอมดิแม้กระทั่งการวางย่านอย่างนี้เหมือนกันปกติผมผมวางยังไงก็ทุกสิ พอเขาบอกเกลียดเขาเราก็ทุกข์ทันนั่นคือตัวทิฏฐิทุกข์มั้ยอ่ะทุกข์เกลียดเขาทุกข์มั้ยทุกข์มาเข้า พอยอมพอมยอมแล้วเท้าลบบูชายอมแล้วเหรอพร้อมยอมแล้วอ่า เราไม่นาบวชเลยทุกชิบหายเลยพ่ะสเต็กเนื้อสันก็ไม่เคยมีเลยในวันนี้แฮมเบอร์เกอร์ก็ไม่มีแฮมซันวิกก็ไม่มียิ่งไอศกรีมไม่เคยพบเลยคิดถึงฟาเดอร์มาเดอร์กับเดนนี่ทุกหนักมาข้างหลังสะกิดหลังไม่โทษ <Hey, hey. S 1> อะไรนี่ถามจริงๆหน่อยๆหน่อยถามหน่อยฮะวัดหนองประพงเป็นถูกมั้ยอะไรครับวัดหนองประพงเป็นถูกมั้ยครับเออครับอย่างนั้นน่ะคิดให้ดี คิดไปคิดมาปัญญาเกิดขึ้นมาโอ้ขึ้นมาอย่างแรงเลยโอ้ๆมาย เดินธุดงค์เลยกัน 40 กิโลค่อยนั่งพักไปกับท่านอาจารย์เลี่ยมที่เป็นเจ้าอาวาสองค์ๆเนี่ยทั้งทั้งชั้นทั้งอับทั้งล่างบาด เราดูการเดินดูการเคลื่อนไหวของสังขารเราจิตเราอย่าไปปรุงแต่งกับมันเรเราเรา 40 กิโลไม่เหนื่อยแต่เราจะทํายังไงถ้า 40 กิโลเรานั่ง เกิดเรียนไปได้สวยเลยไม่กลัวแล้วแต่นี้มาตะนี้โอเคเลยตะนี้ไปได้เกเก 15 วันก็ 5-6 ปีแม้แต่คน ตะงูก 7 ปีก็บวชได้ถามซื่อๆเถาะนั้นตอบยังไงมันจะศึกทุกวันนั่นเลยอาตมาไม่ไปก็มานอาตมาจะนั่งอยู่นี่มันก็จะกลับทุกก็ให้มันไปเลยอาตมาไม่ไปก็มาน จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เกือบ 30 พรรษาอ่าอยู่นะไม่ได้ศึกนะเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณ แล้วดับทุกเป็นดับทุกเป็นนี่การปฏิบัติให้มันเข้มข้นเรามาหมุนสายหมุนอยู่หั่นสิทั้งของเวลาเฮาตั้งท่าอยู่แต่หิง แต่นิพพานฝรั่งหลายๆองค์ขึ้นมาที่ อ่านี่อยู่ๆชื่ออะไรนี่ถามมายังไงบอสนามและพูจญีแปลว่าลายเดี๋ยวก็ถามกันไปถามกันมาแล้ว เค้าเรียนเกี่ยวกับดนตรีการบรรเลงเสียงเค้ารู้เค้าจะไม่เหมือนไทยสวดแม่ท่านเจ้าความได้ขนาดนี้เลยด้วยติดใจพระฝรั่ง วันที่ตานกระเทวนาจนะยิ่งแต่ดอะเฉวนาจะปาฬานังพระหนุ่มนี้หลวงปู่ก็เลยไปควบคุมให้มีแต่ฝรั่งล้วนๆมี ถ้ามีโอกาสไปที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ไปเป็นสาขาวัด 165 สาขามาแสวตพงษ์เป็นไม่ใช่วัดธรรมยุตคือหลวงปู่ภูชา หลวงปู่สาวท่านก็มาให้ยัตติเป็นธรรมยุตเพื่อช่วยดึงประสานงานกันระหว่างมหานิกายกับธรรมยุตฝ่ายปฏิบัติอ่ะที คิดสนุกขึ้นมาไปจักกะจี้เนนก็เป็นอาบัดท่านนี้เนี่ยพระ ตะไคร้ยูเขียวที่อยู่ตามตุ่มหรือตามโคดมันจะไปล้างเอง ผ้านี่ถ้าเป็นรูขึ้นมาเท่ากับหัวเม็ดหัวเม็ดไม่กีดฝ่ายต้องๆแล้ว ถ้าเราๆแล้วก็การปฏิบัติก็คือการปฏิบัติทั่วไปนี่เองอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ some kind.